นาณาที่มุตติกยานญานที่หานานาณาที่มุตติกยานปรีชากําหนดรู้อธิมุตติคืออาทยาศัยของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นต่างๆกันยานข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งถึงอาทยาศัยของคนทั้งหลายตลอดทั้งของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายด้วยเช่น เมื่อต้องการที่จะทรงทราบว่าคนคนนี้มีอัตฉริยาสาัยน้อมไปในทางไหนในทางเลวหรือในทางดีพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะทราบได้โดยไม่ยากเพราะพระพุทธเจ้าสำเร็จเจโตปริยญาณซึ่งด้วยญาณอันนี้พระองค์สามารถที่จะอ่านความรู้สึกนึกคิดของใครก็ได้ ไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจะอยู่ต่อหน้าหรืออยู่รับหลังพระพุทธเจ้าก็สามารถจะทรงทราบได้ทั้งสิ้นและจากยานข้อ น, นี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นนักจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมที่สุดจึงได้ชื่อว่าเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า นักจิตวิทยาในสมัยปัจจุบันสแสวงหาความรู้ในเรื่องจิตใจโดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมสังเกตรูปร่างลักษณะแล้วก็ยังไปถึงจิตใจและก็พยายามสร้างกฎเพื่อเป็นหลักในการอธิบายพฤติกรรมของคนและของสัตว์ซึ่งการศึกษาแบบนี้แม้จะได้อาศัยรักฐานทางวิทยาศาสตร์หลายสาขาเป็นหลัก ซึ่งก็ทำให้เข้าใจเรื่องจิตใจของคนหรือของสัตว์ได้มากก็จริงแต่ถึงกระนั้นการศึกษาแบบนี้ก็ยังนับว่าเป็นวิธีทาง อ, อ้อมคล้ายกับคนตาบอดเรียนหนังสือโดยใช้มือสัมผัสหรือคนหัวงวกเรียนเรื่องการพูดโดยอาศัยการดูแต่สำหรับทัพุทธเจ้า วิธีอย่างที่นักจิตวิทยาใช้พระองค์ก็ทรงทราบเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากวิธีนี้ไม่อาจจะทําให้เข้าใจจิตใจได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้ววิธีนี้พระองค์ไม่ทรงใช้เพราะพระองค์ทรงมีวิธีที่ดีกว่านั้นกล่าวคือ การที่จะอย่างรู้จิตใจของคนอื่นนั้นพระองค์ต้องอาศัยการระลึกชาติในอดีตของเขาเพื่อดูว่าในอดีตการที่ผ่านมาเขาได้ทำอะไรมาบ้างเคยมีความรู้ความสามารถมาในทางไหนชอบทำอะไรและอีกอย่างหนึ่งในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงกำหนดที่ใจของพระองค์เองแล้ว ก็สามารถที่จะอ่านใจคนอื่นได้เพราะใครก็ตามถ้าสามารถทำใจให้ว่างได้จริงๆในเมื่อตั้งใจจะอ่านใจของใครเมื่อเรานึกถึงจิตใจของคนคนนั้นความคิดอ่านของผู้นั้นก็จะมาปรากฏอยู่ที่ใจของตัวเพราะฉะนั้นจึงสามารถอ่านความคิดของคนอื่นได้ เหมือนกับเรารู้จักความนึกคิดของตัวเองวิธีนี้พระพุทธเจ้าทรงชำนาญมากชะนั้นการที่จะอย่างทราบถึงจิตใจของผู้ใดจึงไม่เป็นการยากเลยและถ้าหากผู้นั้นอยู่ไกลซึ่งสายตาธรรมดามองไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้ตาทิพย์ซึ่งสามารถที่จะมองเห็นผู้นั้นได้ เสมือนหนึ่งผู้นั้นปรากฏอยู่ต่อหน้าความสามารถในทรรนองนี้คนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตใจอย่างละเอียดส่วนมากก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่สําหรับผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตใจอย่างลึกซึ้งทุกคนจะเชื่อในปรากฏการณ์อันนี้จากหลักในข้อนี้ ก็จะทำให้เราเกิดความคิดว่าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะรู้เรชาติได้ไม่สามารถที่จะอ่านใจคนอื่นได้ด้วยเจโตปริยานเราก็ต้องใช้วิธีอื่นเพื่อให้เกิดผลอย่างเดียวกันนั่นก็คือเมื่อจะสอนใครก็ต้องพยายามสืบประวัติให้รู้แน่ชัดว่าเขาเป็นคนมีัายาสัยอย่างไร มีแนวโน้มไปในทางไหนถ้าหากไม่ทราบถึงพื้นฐานอันนี้แล้วการสอนจะไม่ได้ผลจะเสียเวลามากและสำหรับเรื่องอย่างนี้คนที่เป็นครูหรือเป็นนักปกครองนักบริหารทุกคนทราบเป็นอย่างดีว่าการทราบอัธยาศัยของบุคคลอื่นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก ไม่เช่นนั้นแล้วการสอนหรือการปกครองจะไม่ได้ผลและจากยานข้อนี้ย่อมหมายถึงว่าผู้ที่จะเป็นนักสอนสาศาสนาในเมื่อตอนเอกไม่สามารถจะ ร, รึกชาติได้ไม่สามารถจะอ่านใจคนอื่นได้ก็เป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนจิตวิทยาให้เข้าใจดี และต้องมีความรู้ทางสังคมอีกด้วยการสอนศาสนาจึงจะได้ผล